มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาปฐมวัคอิทธิปาทะพละทัศนะปัญหาที่สิบถามว่าทรงแสดงกำลังอิทธิบาทว่าอาจให้อายุยืนกว่ากันได้ทำไมจึงด่วนนิพพานเล่าราชา สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีพระราชะองค์การตรัสถามอัธปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาฆาเสนข่าแต่พระนาคาเสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาพาสิตังเจตังพระขวตาถ้อยคำดังนี้สมเด็จพระศรีสุคตทศพลยานโปรโดประทานไว้ว่าอานันะดูกระสำแดงอา น, นุจัตตาโรอิทิปาธา อันว่าพระอิทธิบาททั้งสี่ฉันทิตทิปาโทคือฉันทิตทิบาทประการหนึ่งวิริยิตทธิปาโ ท, ค, ท, ท, าา ท, าโทคือวิริยิตทีิบาทประการหนึ่งจิตติตทีปาโทคือจิตติตทีบาทประการหนึ่งวิมังสิตที่ปาโทคือวิมังสิตที่บาทประการหนึ่งสี่เป็นสี่ประการด้วยกันภาวิตาแม้พระตถาคตเจริญแล้วพระหุลีกตา กระทำให้มากแล้วญาณีกตากระทำเป็นญาณปิดป้องกำบังวัตถุกตากระทำเป็นที่นั่งที่นอนที่อาศัยปริจิตตาสั่งสมไว้มั่นในสันดานอนุธิตาตั้งจิตให้เบิกบานในการเพียรที่จะกระทำมิได้ประมาทสุสมารัฐาอุตสาหะปรารพบจำเริญมิได้ขาดในบริกรรมภาวนาเป็นอันดี เมื่อตถาคตจำเริญพระอิทธิบาททั้งสี่นี้ตถาคตจะประารถนาให้มีชนามายุยืนนานไปกับหนึ่งก็ได้ยิ่งกว่ากันก็ได้อาศัยด้วยจำเริญซึ่งพระอิทธิบาททั้งสี่นี้เหตุดังรือสมเด็จพระพิชิตตามายานามุนีจึงมีพระพุทธดีกาตรัสอีกเล่า ว, ว่าอานัธดูกระสัมแดงอาณ น, น์พระชนามายุของตถาคตนี้ ยังมากน้อยไปเท่าไรมีนับแต่วันนี้ไปกําหนดได้สามเดือนเท่านั้นเราพี่น้องทั้งสองจะไม่ได้เห็นหน้ากันเมื่อถ้วนกําหนดสามเดือนนั้นตถาคตเจลาดับขันเข้าสู่นิพพานนี้และสมเด็จพระอนาวาณิยานยอดบุคคลเป็นที่ล้นพ้นแล้วชะไหนเล่าพระเจ้าค่ะพระพุทธดีกาจึงตรัสเป็นสองฟังไม่ต้องกัน แม้ว่าจะสำคัญถือเอาเป็นมั่นคงว่าคำที่พระองค์ตรัสว่ายังสามเดือนจะเข้าสู่พระนิพพานคำเดิมที่โปรดประธานไว้ว่าตาถาคตจะจำเริญอิทธิบาททั้งสี่ประการจะให้มีพระชนยืนนานไปกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันคำนี้ก็ผิดเป็นมิจฉาแม้จะถือเอาคำก่อนที่ว่าพระองค์จเริญอิทธิบาททั้งสี่ประการ ให้พระชนมายุยืนนานประมาณกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันหนึ่งว่าชอบแล้วคำที่ตรัสว่าไม่นานดอกอีกสามเดือนจะเข้าสู่พระนิพพานก็จะผิดอายังปิปัญญโหอันวปริสนานี้คำพีโรลึกล้ำสุดประมาณนิปุโนและเอียดละออยิ่งนักทุนิชชาสโยยากที่จะสอดส่องปัญญาพิจารณาเห็น อุพโตโกติโกเป็นสองเงื่อนมิใช่ง่ายมาถึงผู้เป็นเจ้าแล้วผู้เป็นเจ้าจงทำลายเสียทิฐิชาลังซึ่งขายคือทิฐิทั้งหลายในการบัดนี้ฝ่ายพระนาคเกษนองพระอรหันติปดีมีพระสุนทรวานีกล่าวแก้ซึ่งอุพโตโกติปัญหาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรยโลกเลิศบุคคลตรัสว่าอานัน h ะดูกะระสำแดงอานนท์พระอิทธิบาทนี้มีคุณนักหนาภาวิตาแม้ตถาคตจำเริญไปไม่ได้ขาดพระหุลีกตาจะภาวนาให้มากมั่นอยู่ในสันดานยานีกตากระทำเหมือนหนึ่งรถยานพาหนะที่จะขับขี่ใช้สอยอยู่เป็นอนันดี ยามเมื่อจะมีที่เสด็จสัญจรวัตถุ ก, กตากระทาเหมือนที่นั่งนอนบ่ฮอนที่จะละจะวางให้ว่างเสียเปล่าเมื่อยามมีที่ไปเล่าก็เอาอิทิบาทเป็นยานพาหนะขับขี่สัญจรเมื่อยามจะนั่งเล่าก็เอาอิทิบาททั้งสี่เป็นพระเก้าอี้แท่นที่สายญาตอนุติตามิให้คลาดได้สุสมารธา ตั้งพระไทยปรารบรำพึงนิยมอยู่เป็นนิดปริจิตตาสังสมอยู่ในจิตไม่ขาดในอิทธิบาททั้งสี่ได้ดังนี้แม้แต่ฐาคตก็อาจที่จะให้พระชนยืนไปกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันหนึ่งก็ได้สมเด็จพระบรมไตรโลกเกลือบุคคลตรัสชนี้มั่นคงเพื่อจะสำแดงกำลังของพระพุทธองค์ว่าถ้าจะทรงจำเริญพระอิทธิบาทแล้ว อาจให้มีพระชนยืนนานประมาณกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันไปจะเปรียบฉันใดนะบพิษพระราชสมภารอัสาชานิโยปานดุดมา้าอาชาในาแห่งบรมกษัตริย์อันเป็นม้าพระที่นั่งตัวประเสริฐสีคังขะโตมีคติอันไปเร็วโดยเลิศอ น, นิละชวะสโมเหมือนหนึ่งว่าเหาะไปในอากาศ สมเด็จบรมกษัตราที่ราชนั้นชะวะพลังปริกิตตยันโตเมื่อจะสันเสริญกำลังอันเร็วแห่งม้าอาชาในเอวังวัทยะจึงมีพระราชโอการตรัสสันเสริญดังนี้ในถ้ำกลางมหาชนและพวกพลพรามเครหะบดีและอมาต์อันมาเฝ้าว่าโพดูกระสูชาวเจ้าทั้งปวงอันมาประชุมพร้อมหน้า ณพระลานหลวงนี้อยังหยะวโรมาอาชาในาตัวประเสริฐของเรานี้แม้เรามีความปรารถนาจะให้มาอาชาในาไปโดยชนลมากคือคงคาในที่สุดแห่งสาครแล้วจะกลับสัญจรมาแม้มากว่าปรารถนาลัดนิ้วมือหนึ่งก็อาจมาถึงได้ในฐานที่นี้และสมเด็จบรมกษัตริย์จะได้สันเสริญชวะวิธี ที่พระองค์ไปเร็วหาไม่ได้สันเสริญม้าอาชาไนของพระองค์ตรัส บ, บอกให้รู้ว่าม้าอาชาไนนั้นเร็วสามารถอาจจะไปถึงที่สุดแห่งคงคาสาครแล้วกลับสัญจรมาถึงที่นี้เร็วพลันในขณะลัดนิ้วมือเดียวดังนี้และสมเด็จบรมกษัตริย์มีพระราชโอการสันเสริญม้าอาชาไนไม่สันเสริญพระองค์ฉันใด ดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระโลกุตมาจารย์เมื่อจะโปรดปราณสันเสริญซึ่งกำลังอิทธิฤทธิ์วิชาอันภัยสารจึงทรงนั่งในถ้ำกลางแห่งพระอระหันต์อันทรงซึ่งไตรวิชาและฉะอภิญญาอันมีอาสวะหมดสิน้นวิมาลานังหามนถิ่นไม่ได้อันพองใสบริสุทธิ์ในถ้ำกลางแห่งเทวดามนุษย์พรั่งพร้อมกัน จึงมีพระพุทธฎีกาสรนเสริญพระอิทธิบาททั้งสี่ว่าจำเริญพระอิทธิบาททั้งสี่นี้มีคุณหนักหนาแม้มากว่าปรารถนาจะให้ชนามายุยืนนานประมาณกันหนึ่งก็ได้กับปาวเสสังเหลือไปกว่ากันก็ได้สมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนานตรัสสันเสริญคุณพระอิทธิบาทใช่สมเด็จพระบรมโล ก, กนานจะสันเสริญกําลังพระองค์ ปานดุดบรมกษัตริย์ตรัสสนเสริญกำลังม้าของพระองค์ฉะนั้นอันหนึ่งสมเด็จพระสัพพัญยูตรัสชะนี้จะยินดีที่จะอยู่ไปในพบหามิได้อันนัตถิโกสมเด็จพระวิชัยมานมิ่งมกุฏวิสุทธมุนีมิได้ยินดีมีประโยชน์จึงตรัสยกโทษพบทั้งสามว่าชั่วช้าสามานพาสิตังเจตังมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโล ก, กางนาฏศาสดาจารย์โปรดประทานด้วยวาระพระบาลีว่าเสยยถาปิพิข เ, เวอปปมัตตะโกปิคูโถ ท, ทุกขันโทโหติเอวะเมวะโขอหังพิข เ, เวอปปมัตตะโกปิภวังนะวันเนมิอันตมโสอัชระสังคาตัสะดังนี้ แปลความตามกระแสะพระพุทธดีกาตรัสว่าพิทขเวดูกะระภิกษุทั้งหลายคู่โถอันพาคูดแม้มีประมาณน้อยทุกคันโทมีกลิ่นอันเหม็นเป็นที่พึงเกลียดพึงชังหนักหนาไม่มีใครที่ว่าจะชมคูดนั้นแม้สักน้อยหนึ่งมีแต่ครหะเสยยธถาปิแม้มีอุปมาฉันใดณวันเนมิ ตถาคตไม่สันเสริญซึ่งพบสงสารแต่ประมาณน้อยหนึ่งอันตะมะโสกำหนดที่สุดลงไปโดยจะอยู่ไปในพบสงสารแต่ประมาณลัดนิ้วมือนหนึ่งก็ดีตถาคตไม่ได้สรนเสริญเป็นสัจจังเอวังโขมีอุปมาเหมือนดังนั้นสิ้นกระแสพระพุทธฎีกาเท่านี้ดูราณบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระอนาวรณญาณทัศนาการเห็นพบสงสารปานดุดของเน่าของเหม็นชนีจะอาศัยพระฤทธิ์แล้วมีจิตกลับกำนัดยินดีในพบหรือประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้พบนี้ถึงพระองค์มีฤทธิ์รักษาให้สถิตยอยู่ไปได้ก็ไม่มีอะไรอาวร์พระนาคเษนถวายพระพรว่าเหตุดังนั้น สมเด็จพระบรมสารเพศพระคาวันตาบพิษทรงสรรเสริญมฤตธพระอิทธิบาทเท่านั้นจึงเปล่งพุทธสิงหานาฏสรนเสริญพระอิทธิบาทดังนี้ใช่ว่าจะรู้จักยินดีในที่จำเริญพระอิทธิบาทให้สถิตนานไปในภพสงสารหามิได้บพิษจงทรงพระสันนิฐานเข้าพระไทยเถิดสมเด็จพระเจ้ามิลินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่า สาธุสัมปติชามิโดยจะรับคำพระผู้เป็นเจ้าที่วิสัชนาปัญหานี้ไว้ดุดวิสัชนามานั้นเพื่อป้องกันเสียซึ่งคำเดียรถีทั้งหลายฝ่ายมิ ช, ชาทิฐิในการบัดนี้อิทธิปาทพระทัศนะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้จบปฐมมาวัต